พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะเราจะน้อนมนําเอาคําสั่งสอนของพระศาสดานะคะมาเป็นความรู้บางทีก็จะเป็นในเรื่องทั่ ว, วไปที่เราดําเนินชีวิตกันอยู่นี่แหละในรายการนี้สันสนิยมสนทนาซึ่งกําลังจะเริ่มต้นนะคะเรามีพระมหาภาบูบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรนธา น, นีซึ่งท่านก็ได้ให้ธรรมะที่สถานีวิทยุครอบครัวขาวเอฟเอ็ออออนี้มาเป็นเวลาช้านานแล้วเราไปกราบนำ้ำระสการท่านเลยค่ะ นวสการค่ะท่านคะานค่ะวันนี้โยมสงสัยจากการที่อ่านหนังสือพิมพ์มแล้วก็ได้พบว่ามีคนที่เป็นคนทําให้เกิดเหตุการณ์ซึ่งเรียกว่าอุบัติเหตุและมีผู้คนเสียชีวิตเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะที่มักจะบอกว่าไม่ได้เจตนานะแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่สามารถ แก้ไขได้นะคะแล้วก็เมื่อมาคิดถึงเรื่องของธรรมะเนี่ยที่ฉันเคยทราบมาว่าถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ขาดเจตนาไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรม อ, อย่างเนี้ยอ่าก็ต้องการความชัดเจนเพราะว่าถตว่าความเสียหายนยีมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหมครับกับสายหนึ่งบางทีเนี่ย เสียหายถึงกับชีวิตล้มตายแล้วมันทีเป็นชีวิตที่ต้องรับผิดชอบคนอยู่ข้างหลังอีกก็อยากขอเป็นความรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยในลักษณะนี้เข้าถ่ายเป็นกรรมหรือไม่ทําให้งั้นก็จะทําให้คนเนี่ยประมาทต่อไปได้เรื่อยๆอันนี้เราต้องแยกเป็นสองส่วนก่อนแต่ก็คือทําความเข้าใจอย่างที่คุณยมติว่าว่ า, วาอะไรก็ตามการกระทํำที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกรรม แต่ว่ามันมีการกระทําเกิดขึ้นไหมอันนี้ต้องตอบว่ามีการกระทํานะแต่ว่าการกระทํานั้นจะไม่ได้ส่งผลเพราะว่าเจตนาไม่ได้มีแต่ผลของการกระทํามีมันแยกกันส่วนตรงนี้ก็คือว่าอย่างเช่นว่าขับรถชนสุนัขตายโดยไม่ได้เจตน า, าสุนัขมันตัดหน้าพอดีพุ่งชน ต, ตู้มตาย อ, อย้ยาเราไม่ได้เจตนาเลยนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกไม่ดีแล้วมันต้องแยกเป็น2 ส, ส่วนคือภาษะที่เกิดขึ้นนั่นคือภาษาแห่งการเบีย่ยน ภาษาในการเบียดเบียนคนได้รับความทุกข์อ่ะในกรณีนี้คือสุนัขตายหรือถ้าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนตายเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เจตนาบีปืนลั่นขึ้นไม่ได้ตั้งใจแต่มีคนตายอย่างนี้นคนตายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีภาษาคือความทุกข์เกิดขึ้นทีนี้พอมีภาษาคือความทุกข์เราเห็นว่าเขาได้รับการเบียดเบียนเนี่ยคนที่กรทะทํำคนที่กระทําโดยไม่ได้ตั้งใจกลับรู้สึกเป็นทุกข์เพราะแน่นอนคุณรู้สึกเป็นทุกข์เพราะว่ามีฮิรอิอุตปะ มีอุปสรรคในการที่โอ้ฉันประมาทนะฉันประมาทพอกระทําสิ่งใดไปด้วยความประมาทไม่ได้ตั้งใจมันเลยเกิดการเบียดเบียนเกิดขึ้นแต่เพราะว่าถ้าคนที่มีสติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำโดยการเบียดเบียนแน่นอนคนที่มีสตินะเพราะถ้าเป็นสมาร์สติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสติมีปัญญาเนี่ยจะกระทําการกระทําที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสองฝ่ายถ้าเบิดว่ามีการกระทําอะไรที่เบียดเบียนไปแปลว่าสติคุณยังไม่เต็มที่ยังมีการเพลิดเพินอยู่บ้างนะ ทีนี้แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจนะก็ไม่ได้มีผลของกรรมตรงส่วนนั้นแต่ว่ามีภาสายการเบียดเบียนเกิดขึ้นอาจจะทําให้เราไม่สบายใจอันนี้เป็นไปได้แล้วก็ถ้าในทางกฎหมายเขาก็จะลงโทษคุณด้วยละถึงแม้ ค, คุณจะทําด้วยความไม่เจตนาก็ตามอะ่คนะค่ะก็เท่ากับว่าถ้าจะทําความเข้าใจคําสอนแล้วก็ยังเข้าใจให้อย่างถูกต้องต่อไปเนี่ยมีพุทธพจน์ว่าไว้แน่นๆเลยไหมคะว่าเรื่องของกรรมเนี่ย ปรอบเป็นอย่างไรแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเบียดเบียนมีบทไหนที่น่าจะให้เรารับรู้รับทราบไว้บ้างคะมีอยู่สองบทบทเกี่ยวกับเรื่องของกรรมพระพุทธเจ้ากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม <c oughs> ซึ่งคำว่าเจตนาว่าเป็นกรรมเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องมีวิบากแห่งกรรมแ่ไมีวิบากแห่งกรรมถามว่าถ้าเราทําอะไรโดยไม่ได้เจตนาเป็นการกระทํำไหมนะการกระทําเป็นนะแต่จะไม่ได้มีวิบากของกรรม <c oughs> โอเคนั้นก็คือเช่นว่า กรณีขับรถชนกรณีฆ่าสัตว์เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเพราะฉะนั้นวิบากของการฆ่านั้นจะไม่เกิดกับเราแต่ว่าความเผลอสติคือความประมาทนี้มีอยู่แล้วแน่นอนนะแล้วการกระทําที่มีการเบียดเบียนก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็แยกส่วนกันไปแตนะ่บทปพัน์ที่2พระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่มีปัญญาเนี่ยบุคคลที่มีปัญญาเป็นคนดีเป็นสัตว์บุรุษเนี่ยเวลาจะคิดนะย่อมคิดในการที่จะไม่ทําตัวเองให้ลําบากและไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเมื่อจะคิดน่ะจะคิดในทางไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เขาจะคิดนั่นแสดงว่าเขามีสติตั้งเอาไว้ละมีสติตั้งเอาไว้ก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นการกระทําตรงนั้นจออกมาในลักษณะนี้ค่ะผลของการเบียดเบียนคนอื่นนี่จะเป็นอย่างไรกันคะผลของการเบียดเบียนก็คือว่าจะจึมีผัสาะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นอันนี้คือสังสารวัตมันเป็นอย่างเนี้ยเอาอย่างเช่นว่าเรากินอาหารเข้าไป เราถายอุจจาระออกมาพวกจุลินทรีย์ก็ตายเนี่เราไม่ได้ตั้งใจจะเบียดเบียนกันนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะคือสังสารวัตรมันเป็นอย่างนี้ในที่นี้ถ้าอยู่ในสภาวะของอะไรล่ะถ้าอยู่ในภพของสัตว์เด ร, าาเรัจฉานสัตว์นรกการเบียดเบียนเนี่ยจะเป็นไปอย่างกว้างขวางเป็นธรรมดาที่สัตว์ใหญ่จะกินสัตว์เล็กเพราะว่าสังสารวัตมันเป็นอย่างนี้เนะื้อเสือก็ต้องกินกวางถ้าเสือหลบไม่ดีก็ถูกกวางเตะก็เบียดเบียนกันไปเบียดเบียนกันมาแล้วก็เป็นธรรมดาของมนุษย์หรือว่าเทวดา ที่เขาจะมีการเปลี่ยนๆกันน้อยหน่อยจะมีการช่วยเหลือกันมากหน่อยสังสารวัตมันเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าถ้าอยู่ในสังสารวัตสังสารวัตรคือที่ไหนกันคะก็คือที่มันจะต้องบนไปเวียนมาก็คือในโลกเรานี่เองะะโลกมนุษย์จะประเทศไหนก็ตามอยู่ในสังสารวัตอยู่แปล ว, ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในสังสารวัตรดังนั้น โอกาสที่จะมีผัสสะที่เบียดเบียนเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่เพราะเราอยู่ในสังสารวัตมากน้อยแตกต่างกันถ้าไปเป็นสัตว์เิรัจฉานอันนี้จะมากหน่อยถูกต้องแต่ถ้าไปอยู่ในขั้นที่จิตเหมือนเหมือนทวดาอย่างนี้นะคะก็จะมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมากการเบียดเบียนน้อยกาเอฟื้อเกกูกันมากท่านโอ้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นเยอะเลยค่ะคือเหมือนกับว่าท่านผู้ฟังที่ครบค่ะพูดถึงการเมินชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยทุกคนถูกอบรมสั่งสอนกันมาเป็นอย่างดี หรือก็มากน้อยแตกต่างกันนะคะแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าอ่าดีเป็นอย่างไรไม่ดีเป็นอย่างไรชั่วเป็นอย่างไร อ, ไรอแล้วพอมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ความเข้าใจในเรื่องว่าการดําเนินชีวิตเนี่ยเราก็สามารถจะดําเนินให้ธรรมะเจริญขึ้นได้เพราะพระพุทธองค์เนี่ยบัญญัติเอาไว้ด้วยเพียงแต่เราจะมองเห็นว่า เป็นเรื่องโลกเรื่องธรรมแยกกันหรือเป็นเรื่องเดียวกันมันเนี้จะพยายามทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ด, ดิฉันก็เลยคิดว่าดังนั้นบางทีเราไม่ตั้งใจอย่างที่บอกอย่างเช่นบางทีเมื่อเร็วๆนี้เองสะทือนใจมากที่ว่ามีเด็กเขาไปดื่มสุราแล้วเช้ามืดนะคะก็ขับรถชน คนที่ออกกำลังเป็นชมรมจั ก, กรยานแล้วก็มีการเสียชีวิตกันหลายชีวิตกับบาดเจ็บด้วยนะนะคะ เ, ออเราก็เข้าใจว่าบางทีคนหนุ่มคนสาวเนี่ยไม่ทันได้คิดอะไรมากมแล้วก็ยังยังไม่มีดวงตาที่ฉลาดเฉลียวมากขึ้ น, นก็ไปดื่มพอไปดื่มปุ๊บเกิดเหตุการณ์ที่ท่าเชื่อว่าเขาเสียใจแน่นอนคือเกิดอย่างที่ท่านบอกใช่ไหมคะเป็นเรื่องของการมีผัดะ ใช่ที่ถือว่าเป็นการเปลียดแปลงแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่สบายใจซะเองทั้งๆที่ถ้าพูดในเชิงธรรมะแต่อย่างในกรณีคนนี้ต้องถือว่าประมาทแล้วแต่ความประมาทนี่คือไม่มีเจตนาออว่าเป็นกรรมโอเคถ้าถ้าพูดถึ<ๆ>งกรณีว่าเราทรงอยู่ในธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะเช่นการดื่มสุราการเล่นการพนันการคบเพื่อนชั่วการเป็นนักเลงการพนันพวกนี้จะเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ถาว่าทามันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทห ม, มายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสติมันจะไม่อยู่เนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงนี้มันจะอยู่ไม่ได้ตรงนี้แต่บางทีมันอาจจะมีอยู่นะแต่ถ้ามันจะหายไปเนี่ยมันเกิดตรงนี้แน่นอนคือการดื่มเหล้าการเล่นการพนันเพราะฉะนั้นในจุดที่เขามีทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้เช่นการดื่มสุราทําให้เขาเผลอสติได้พอเผลอสติปุ๊บก็มีการกระทําที่เป็นไปในการเบียดเบียนในกรณีนี้คือการปิดศีลในข้อที่1มีการฆ่า แต่มีการฆ่าโดยไม่ได้เจตนานนการกระทํามีนะแต่เจตนาไม่มีก็จะหมายคการกระทํามีแต่เจตนาไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเจตนาในการที่เขาจะได้รับผลของกรรมเนี่ยมันมันไม่มีแต่การเบียดเบียนมันเกิดขึ้นแล้วเขาจึงมีความเสียใจละ่ะค่ะ น, นะนะคะค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะสําหรับเรื่องนี้ก็เลยถ้าถามดิฉันฟังจากท่านพิบูลเนี่ยได้อุทาหรณ์อะไรที่จะนํามาคิด เพื่อที่จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงคือทำศิกขานำเอามาปฏิบัติสู่ชีวิตประจำวันด้วยก็คือว่าต้องถือว่าการมีสติมากๆมา ก, มากผิดปกตินะคะ <c oughs> อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นเพราะสติเนี่ยมันหลุดง่ายนะคะท่าน <c oughs> เหมือนกับพอเราจา <c oughs> ับพวงมาลัยรถแล้วเนี่ย เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จีนว่างๆสบายๆขับรถออกไปแต่บางทีแหมมันแซงเขา <c oughs> อออื่าแซงในที่ผิดกฎด้วยนะเขาห้ามแซงซ้ายเราก็แซงที่ฉันก็ทํำนะครับในหลายครั้งต้องสารภาพใช่ไหม <c oughs> <อ>ว่าเอาความไม่ดีของตัวเองมาประกาศเนี่ดีมากแล้วก็โยมติวค่ะคือบางทีมันบางจังหวงะไงคะทาค่านคะแม้คนนี้ทําไมขับรถช้าจังทั้งๆ ท, งที่ข้างหน้าว่างแต่เรารียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงต้องใช้สติกันให้เยอะหน่อยเพราะบางครั้งคนอื่นเขาก็อาจจะ ไม่ค่อยมีสติเหมือนเราด้วยเหมือนกันไหมคะโอ้ได้ธรรมะเลยท่านคะทีนี้เรื่องต่อไปที่นันเองก็มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอยู่กับในสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่เมื่อมันไม่เกิดความไม่แน่นอนขึ้นเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกกระทบกระเทือนอะไร mm. แต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งหลักไว้เราจะกระทบกระเทือนมาก ถ้าเราตั้งหลักไว้หรือว่าเรารู้ทำเราก็จะเข้าใจมันเวลาเกิดขึ้นยังกำลังจะถามสิ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่เขามักชอบพูดกับตอนกเกษียณ น, นะคะก็คือเรื่องของโลกกรรทำแปดนะะังอืมเบามค่ะวันนี้ยังไม่ถึงฤดูการกเกษียณเขากลาบเรียนถามเป็นปัญญาโลกกรรมเนี่ยคือหมายถึงตามมาที่อยู่ในโลกมันจะมีสุขและทุกข์คือในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยนะ ในสังสารวัฏเนี่ยอย่างที่ว่าตั้งแต่เริ่มรายการมาเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยเป็นที่ที่จะมีทั้งความสุขเป็นที่ที่จะมีทั้งความทุกข์มันจะวนไปอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าสังสาระนะคือคือวัฏตามันวนนะมันหมุนไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกมันวนเวียนกันแต่ทีนี้ไอ้ความที่มันวนเวียนกันเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบต่างๆอ่าถ้าคุณเป็นเทวดาสุขคุณก็จะมากหน่อยละเอียดหน่อยประณีตหน่อยยาวนานหน่อยทุกคุณก็จะน้อยหน่อย ไ ม, ไม่หยาบมากแล้วก็ไม่ได้ลึกมาก น, นี่คือความเป็นเดวดาแต่ถ้าเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัชานนะคุณก็จะทุกข์มากหน่อยสัด ส, ส่วนก็จะต่างกันไปนตามแล้วแต่พบในสังสาระความวนเวียนของเขาจะแตกต่างกันไปนทีนี้ในทั้งความสุขและในทั้งความทุกข์เนี่ยในทางคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือให้เหนือทั้งสุขเหนือทั้งทุกข์คือเป็นไปเพื่อวิวัตต น่ยไม่ได้มาวนล้วไม่ว่าคุณจะต้องมาวนสุขหรือคุณจะต้องมาวนทุกข์ไม่ว่าคุณจะวนสุขมากหรือคุณจะวนทุกข์มากไม่ได้มนวนตรงนี้เป็นทาง <Okay. S 1> ที่จะเหนือตรงนี้เข้าไปนะสามที่พระพุทธเจ้าใช้คือว่า download, โลกุตระก็คือเหนือโลกเหนือโลกเน้นที่ไม่ใช่แบบหลุดโลกนะ <Okay. S 1> แต่หมายความว่าเหนือจากการควบคุมของทั้งความสุขและทั้งความทุกข์เออเราจะเหนือได้ยังไงจากการควบคุมกองทั้งความสุขและความทุกข์ ถ้าคนธรมนธรมดาคุณธรรมดาคนที่แบบไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะไม่ได้เคยเตรียมใจมาก่อนอย่างที่คุณยมติ ว, ว่าไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยสุขเกิดสุก ข, ขึ้นเขาก็จะลุ่มหลงในสุขนั้นจะไม่เหมือนฉันพอใจนะฉันดีใจนะฉันนยศได้ตาแหน่งอะไรต่างๆใช่ไหม <Okay. S 1> มีคนยกย่องสรเสริญเขามีความพอใจตรงนี้อันนี้คือเขาเดือดร้อนแล้วช็อตหนึ่งทำให้ถึงเดือดร้อนเพราะว่าจิตเนี่ยจะเศร้าหมองด้วยความลุ่มหลงตรงนั้นจิตนะจิต <Okay. S 1> นะ จิตจะเศร้าหมองด้วยความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเปินในความสุขนั้นเศร้าหมองแล้วชาตที่หนึ่งเศร้าหมองจากความสุขที่เกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นทีนี้นในกรณีที่อ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เจอความทุกข์ก่อนสมมติเจอความทุกข์ก่อนเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเขาด่าเขาว่าสูญเสียเงินถูกเบีดเบียนอะไรรูปแบบต่างๆ่าถ้าจิต ท, ที่คนที่ไม่ได้เคยฟังทําไม่ได้เคยปฏิบัติทำไม่เคยเรื่องอะไรมาก่อนเลยเนี่ยเจอความทุกข์แล้ว ก็จะมีความเศร้าหมองเป็นความขยาขยงเกลียดชังไม่พอใจนั่นเป็นปฏิฆะเกิดขึ้นที่จิตจิตจะเป็นอย่างนี้ <S <S จิตก็จะเศร้าเศร้าหมองด้วยช็อต ท, ที่สองนี่เกิดกรณีที่สองเพราะนั้นเนี่ยจิตก็จะเศร้าหมองทั้งสุขเศร้าหมองทั้งทุกเจอสุขก็เศร้าหมองด้วยความกำหนัดเจอทุกข์ก็เศร้าหมองด้วยปฏิฆะเป็นอย่างนี้ <S <S มันก็จะถูกยิ่งถูกรัดเริงมากยิ่งถูกรัดเริงมากจิตยิ่งเศร้าหมองมากยิ่งลงต่ำมาก แตยิ่งลงต่ำมากยิ่งจะทําสิ่งที่ไม่ดีมากมันก็จะถูกดึงไปในทางต่ําอันนี้คือลักษณะของจมอยู่ในโลกละจมอยู่ในกองทุกข์ <Okay. S 1> จมอยู่ในกองทุกข์แล้วทีนี้วิธีการที่เราจะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้คือที่บอว่าเหนือจากการควบคุมของโลกเนี่ยก็คือเรามีสุขเรามีสุขเราก็อย่าลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นจิตเราจะไม่เศร้าหมองอันนี้คือ <Okay. S 1> กรณีที่หนึ่งนะถ้าเรามีทุกข์เรามีทุกข์นะเรามีทุกข์ เราก็ให้รู้อุบายเครื่องออกจากความทุกนั้นอย่าให้ความไม่พอใจความไม่เสียใจความอะไรที่มันจะเป็นปฏิกัสเกิดขึ้นครอบงำจิตเราได้อันนี้คือคนที่ข้อที่สองถามว่าคนที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ฟังทำปฏิบัติธรรมเคยรู้ธรรมะเคยรู้อุบายเครื่องออกจากทั้งความสุขและความทุกนั้นได้อุบายนี้คืออะไรค่ะอุบายนี้ก็คืออริยมรตมีองค์แปดเรื่องของศีลอ่ถ้าคุณจะ ทำความสุขให้เกิดแก่ตนโดยการมีความร่ำรวยก็อย่าให้มันผิดศีลอันนี้คือเรื่องพื้นฐานนะถ้าเราไม่ผิดศีลแล้วเรามีความร่ำรวยมีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคุณก็อย่าไปลุ่มลงในความสุขนั้นอันนี้คือเรื่องของจิตที่สูงขึ้นมาแต่เป็นจิตใจที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในทางการพยาบาทหรือเบียดเบียนดังนั้นแต่ให้จิตใจเนี่ยมีความสุขที่เกิดจากในภายในการทําความพินที่เราได้ทำเรามีความสุขขึ้นก่็ดีแล้วก็ไม่รักความเพียร น, นั้นคน่ะสูงขึ้นมาอีก จะทำเป็ไงให้จิตใจเรามีปัญญาในการที่จะละวางตัดวางความยึดถือในทรัพย์สินชื่อเสียงที่เกิดขึ้นอันนี้คือเะไรก็เป็นชั้นเลิศเลยแต่คนที่จะมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาขั้นสูงๆขึ้นไปในเรื่องของความสุขที่เจอในเรื่องของความทุกข์ที่เจอแตคนที่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะได้เคยปฏิบัติธรรมะเจอความทุกข์แล้วเนี่ยเอาเอาคนที่ไม่ได้เคยฟังธรรมะก่อนแตถ้าเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอุบายที่เขาคิดว่าจะออกจากความทุกข์ที่เขาเจอได้เนี่ย ก็คือเรื่องของการมาสุขเท่านั้นเองที่เขาคิดได้เช่นว่าเจอเรื่องเศร้าเช่นเลิกกับแฟนแก็ไปกินเหล้าอย่างเงี้ยคิดว่าจะเป็นอุบายในการที่จะออกจากความทุกข์ความเศร้าโศกที่อยู่ในใจ แ, แต่อันนี้คือผิดหลักนะเพราะว่าคนที่ฟังทำปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะรู้อุบายคเครื่องออกจากความทุกข์อย่างอื่นนอกจากการมาสุขนอกจากการมาสุขยิ่งเพราะว่าถ้ายิ่งไปเสพการมาสุขมันจะยิ่งดนเริงรัดอีกสองขาขาขาไปเอาการมาสุขนั้นด้วยนะอุบายก็คือว่า ให้เรามาหาความสุขในภายในอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อ <Okay. S 1> <c oughs> ที่สองคือเราให้เห็นสิ่งนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่เราได้เจอว่ามันมันหายไปเนี่ยมันเป็นความทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วการที่เราจะไปยึดถือในสิ่งนั้นการที่มันจะมีอิทธิพลมาเหนือจิตเรามันก็จะน้อยลงอันนี้คือ <Okay. S 1> คือคร่าวๆให้ฟังเฉยๆนะประเด็นในเรื่องของความสุขความทุกข์เนี่ยก็คือว่าเราต้องเจอแน่นอนเราต้องเจอแน่นอนในชีวิตมนุษย์มันต้องเจอแน่นอน นะให้ทําใจไว้เลยเตรียมใจไว้เลยสุขและทุกเราต้องเจอแน่นอนถ้าเรา <Okay. S 1> จะไปหวังแต่เอาสุขแล้วไม่เอาความทุกคุณคิดผิดนั่นไม่ใช่คําสอนของพระพรุทธเจ้าค <Okay. S 1> นะ่ะนะพระพุทธเจ้าแบ่งแบ่งเรื่องของสิ่งในโลกนี้เอาแบ่งแบ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยคือมี3ส่วนแตนะบางทีเราไปทํางานเราจะเจอทั้ง3ส่วนนี้ปน ป, นปนกันมาอยู่นะสส่วนนี้คืออะไรเช่นบางทีเราเจอความสุขความทุกข์เราอยากได้สุขเราไม่อยากได้ทุกข์และอย่างที่3ามบางทีเราก็าตั้งสติขึ้นได้บ้าง เนืรู้จักความอดทนบ้างอะไรบ้างนี่คือส uh, <IS> ่วนที่สามนะในส่วนที่1ที่เป็นความสุขและความทุกเนี่ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าให้ทําความเข้าใจให้ทําความเข้าใจนะไม่ใช่ให้เอาสุขไม่ได้ให้ละทุกไม่ใช่นะแต่ที่ให้ละเนี่ยคือความอยากที่จะได้สุขความอยากที่จะไม่ได้ทุกอันนี้คือให้ละนี่คือส่วนที่2องที่กําลังพูดถึงอยากที่จะได้สุขไม่อยากอยากที่จะไม่ได้ทุกนะนี่คือส่วนที่ต้องละนี่หมายถึงตัณหาแน่เอง แตคือถ้าเราแบ่งไม่ถูกเนี่ยเราจะเอาความอยากกับสุขมาติดด้วยกันเราเอาไม่อยากกับทุกข์ไปติดกันเนี่ยไม่อยากกับทุกข์เนี่ยอันนี้จะทิ้งแต่อยากกับสุขอันนี้จะเอานี่คือคุณทําไม่ถูกเข้าใจยังไม่ถูกคุณต้องแยกส่วนกันเอาสุขกับทุกข์มาติดกันรวมกันไว้อันนี้ให้ทําความเข้าใจนะเอายากกับไม่อยากมารวมกันไว้อันนี้ต้องทิ้งอันนี้ต้องทิ้งทิ้งเสร็จแล้วเราก็จะทําเราจะทํายังไงถึงจะทําความเข้าใจเรื่องสุขและทุกข์ได้ เราก็จะต้องมีสติมีความอดทนรักษาศีลทำสมาธิมีปัญญานี่คือในส่วนที่สามว่าต้องทําให้มากๆเราถึงจะเข้าใจความสุขเข้าใจความทุกข์ได้นต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะอยากได้มีแต่สุขได้ไม่มีความทุกข์ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นคือเราจะวางได้วางทั้งสุขวางทั้งทุกข์ได้อันนี้จะเป็นความสุขแบบใหม่ขึ้นมาเนีย่ยที่เหนือกว่าละเอียดกว่าประณีกว่าเป็นความสุขที่พระเจ้าบอกว่าเป็นสุขอันกเกษม เนี่เป็นสุกอันกเกษมคือตรงส่วนที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำความเข้าใจในเรื่องสุขทุกธรรมดาของโลกนี้อยู่แล้วสุกอันกเกษมที่เกิดขึ้นนี่นก็คือเป็นชนิดเหนือโลกโลกุตระเหนือโลกขึ้นไปนี้คือกระบวนการที่พอเราทำความเข้าใจในเรื่องโลกกรรมแล้วเราจะเหนือโลกกรรมนี้ได้ค่ะมีคำเรียกชัดเจนหมายถึงว่ามีวิธี เรียกที่ชัดเจนหมคะสำหรับประการที่สามหลังจากที่สุขทุกข์ทำความเข้าใจอยากได้สุขได้ทุกข์ต้องละแล้วพอประการที่สามที่จะเหนือโลกเนี่ยค่ะก็คือมารนั่นเองมาร์ น, ะะนั่นเองก็คือมาร์กเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้มา ก, มากๆจะได้ได้มากมาร์กก็คือศอีล ส, สมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์แปดค่ะนะคะ อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ คีอดิฉันกำลังจะถามท่านแต่ผอคิดต่อเองว่าเอ๊ะมนุษย์วันๆเนี่ยมีสุขมีทุกข์อีกครั้งอย่างไรมีช่องว่างที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เลยไหมสําหรับคนทั่วๆไปมีไม่ค่อยประโยค์สุดท้ายไหมนั่นก็น่าจะมีนะคือคนที่แบบไม่ได้มีความสุขหรือก็คือส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกที่อาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้ก็อาจจะมีอาจจะมี ซึ่งถามว่าในกรณีนั้นนะเราก็จะต้อง เ, อเห็นโดยความเป็นขอไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นอนุกรรมสุขแตนะ่คือโด ย, โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะแบ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะ่ยก็จะมีอยู่3ส่วนนะคือส่วนที่เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขนะที่ไม่ว่าจะมาทางต่างหูจ ม, มูกลิ้นกายหรือใจละ่นะนี่คือเราต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์ความสุขเนี่ยความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยต้องเห็นโดยความที่มันมีทุกขลักษณะถ้าจะขยายความให้เพิ่มเติอมอีกนิดหนึง ความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยต้องเห็นโดยความเป็นทุกขลักษณะนะข้อที่2ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เนี่ยต้องเห็นโดยความเป็นหัวฝีเป็นลูกศรนะก็ว่าหัวฝีลูกศรก็คือว่าโหนเป็นสิ่งที่เราอย่าไปเอามันอย่าไปเอามันแล้วข้อที่3อาทุกขมสุขนะก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราจะเห็นอย่างนั้นได้ยังไงจิตเราต้องตั้งสติขึ้นนั่นเอง แล้วไอ้ <Okay. S 1> ไอเวทนาความรู้สึก3าอย่างนี้มันก็จะมาทางภ菩ะนะมาทางภ菩ะซึ่งถ้าคนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์อันนี้พอจะบอกได้แล้วว่าเขามีบุญที่ทําให้มีภ菩萨ที่น่าพอใจมากกว่าไม่น่าพอใจ <Okay. S 1> อันนี้ก็ดีของเขามีเป็นบุญของเขา <Okay. S 1> ทีนี้ว่าเราจะทําไงไม่ให้บุญที่เกิดขึ้นเนี่ยเมาในสิ่งนั้นไม่ให้เราเมาในบุญนั้นไม่ให้เราเศร้ามองจากบุญที่เราได้เป็นความสุขในชีวิตของเรา แล้วก็จะต้องตั้งสติขึน้นแ่ไม่ให้เราไปกำหนัดรุ่มหลงในสิ่งนั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าได้วิธีการได้ทำความเข้าใจเป็นภาพรวมของโลกกระทำแปดเลยถูกไหมคะใช่ใคือถ้าสมมุติว่าพอมาพูดคำว่าโลกกระทำแปดบางคนอาจจะฟังรายการบอกไม่เห็นถ้าอาจารย์พูดคำว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ สุขทุกข์สรรเสริญนินทาเลยแต่นะ่าเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าอามาให้ท่านทั้งหลายเนี่ยทําความเข้าใจให้ถูกต้องเพราะว่าพอขึ้นต้นโลกธรรมแปดมีจะขึ้นที่ราบยศสรรเสริญก่อนแล้วค่อยมาสุขทุกข์ใช่ไหมคะสุขทุกข์เนี่ยมาอยู่เป็นเรื่องที่สามเวลาเป็นคู่ที่สามเวลาเราพูดถึงกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปโลกธรรมแปดเมื่อรวมกันเนี่ยมีความสุขความทุกข์ซ่อนอยู่ ในทุกอันนะคะถูกต้องถูกต้องค่ะท่านพัยบูรจึงได้รวมมาเรียกเป็นสุขทุกข์ให้เข้าใจง่ายๆใช่ค่ะอ่าแล้วก็ก็คือนี่นี่คือเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะทุกวันเลยทุกวันมีอาการร้อนหน่อยก็เดี๋ยวก็ทุกข์ค่ะอาการเย็นหน่อยเออเดี๋ยวก็สุขมันจะสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยอย่างสมมุติคําว่าลาบเนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดถึงการที่เราถูกลอตเตอรี่ า<ช>การที่ใครให้ของเราชิ่นใหญ่ๆแต่ว่าการได้มาของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะมนุษย์พอใจในการได้ ใ, <ช>ในการมี ใ, <ช>ในการเป็นแต่ว่าพอรู้สึกเสียไปแม้กระทั่งอทําสตางค์หล่นหายส100ักร้อยบาทเนี่ยบางคนนั่งเป็นทุกข์แล้วมันหายไปไหนมันหายไปไห น, นมาจําได้แม่นเลยสมัยเป็นคารวาสเราไปซื้ออาหารตามฟู้ดคอร์ดใช่ป ะ, ะก็ไปซื้อ ข้าวหมูแดงมั้งไม่แน่ใจว่ามันอะไรอ่ะเป็นข้าวอาหารจานี้ชอบกินมากเลยแหมดีใจว่าจะไปซื้อข้าวมากินเนี่ยนะแต่พอเดินมาแล้วมันีท่าไหนไม่รู้มันล้มคว่ำไปอ่ะโอ้โหคว่ำเลยอ่ะไอ้ที่เราสุกอยู่เมื่อกี้นี่นะโอ้แหมฉันจะได้กินแล้วมันวาบกลายเป็นความทุกข์ทันทีเลยนะคุณยมติวมันนึกย้อนหลังเนี่ยโอ้โหมันไอ้ที่เราซื้อมาเนี่มันหล่นไปมันอดกินเลยมันจะไม่หยิบขึ้นมากินมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะนะ ฟังแล้วเหมือนอกับว่าตอนนั้นท่านน่าจะเป็นเด็กขอไปทันโทษนะคะน่าจะ เ, เด็กอยู่คือความคิดเสียดายของรับประทานนั่นแหละนั่นแหล ะ, ล ะ, ะเพราะฉะนั้นมันมันเลยสุขทุกข์มันเกิดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจิตใจเราเหมือนเหมือนบ้าน ะ, ะขึ้นขึ้นลงล ง, ลงตามสิ่งนี้มันเลยไม่ถูกต้องไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็กําลังจะบอกท่านและว่าอันเนี้ยสาคัญมากเลยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับทุกขณะของชีวิตเลยทีเดียวถ้าเรามีความรู้แล้ว อันนี้ต้องฝึกปฏิบัตินั้ครับมีอีกตัวอย่างนึงอันนี้อา <c oughs> จําได้หลวงพ่อชาเล่าให้ฟังในการเล <c oughs> ีของท่านแต่มีอุบาสกคนหนึ่งเขามามาที่วัดบ้านหนองพงเนี่ยแหละนะเขาก็มากราบหลวงพ่อเนี่ยนะเขาก็เอากราบนะบป า, ากระตางเนี่ยไว้ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็จังหวะที่จะกราบมันก็จะติดใช่ไหมก็เลยเอากระกระสอบสางคเนี่ย ไ, ไว้ข้างหลังทีนี้เอาไว้ข้างหลังแล้วก็กราบครับคุยกันนิดนหน่อยหก็ไปทีนี้ทีนี้พออุบาสกคนนี้เนี่ย เขาก็นึกก็กระเป๋าตังค์ใช่ไหมพอคำมาข้างหน้าเนี่ย้กระเป๋าตั ง, งคง์งไม่มีหายเนี่ยตกใจมากเลยกระเป๋าตังค์หายตกใจอู้ยทำไงบัตรต่างๆเงินต่างๆทํายังไงอะไรต่างๆคาไปทั่วกระเป๋าเสื้อกระเป๋าอะไรพอคำมาด้านหลังโอ้เจอกระเป๋าสตางค์แล้วมันดีใจขึ้นมาเลยนี่คือกล่าวกันนะกล่าวกันนะ <c oughs> จากทุกข์มากเลยกลายมาเป็นสนะุขละโอ้โหมันคนละเรื่องกันนะมันเหมือนบ้านจริงๆคนเราเนี่ยใช่ค่ะแล้วบางทีดิฉันคิดว่าผู้ฟังรายการอยู่เนี่ย คงฟังตรงนี้แล้วก็ขำตัวเองกันหลายคนนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างบางคนเนี่ยเอาตัวอย่างจากดิฉันที่ว่าใกล้ตัวรอบยกอะก็คือคล้คลายๆ ท, ที่ท่านยกตัวอย่างซื้อแว่นตามาสมมติ <c oughs> แว่นตาเนี่ยมันก็มีราคาแพงแว่นกันแดดพอเอามาใส่เสร็จแล้วเอ๊ะนั่งรถไปอุ้ยแว่นหายมันหายไปไหน <c oughs> ยังไงไประแวงคนอื่นด้วย หรือว่าคิดว่าเอ๊ะอีกแต่คนเมื่อกี้นะยายคนเมื่อกี้นะเจอกันหยิบแบนของฉันไปหรือเปล่าอืแพ้ที่จริงแล้วเสียบอยู่บนศีรษะเอาไปคาดผมไว้ <laughs> ก, ก็เป็นเรื่องที่เมียค่ะพอเจอก็ดีใจถูกไหมคะไอตอนหาไม่เจอเนี่ยเหมือนมันทุกข์ใจทุกแล้วยิ่งถ้าซื้อมาใหม่ๆยิ่งถ้าของมันมีราคามากๆยิ่งจะส่ ง, สงจิตออกไปโทษคนหนึ่งอีกต่างนะคะเอ่อ ทำความเข้าใจทบทวนกันอีกครั้งเพราะดิฉันเข้าใจว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่พูดซ้ําทีายเนี่ยก็ยังมีคนที่ฟังอยู่อาจจะมีจํานวนมากไหมครับางท่านเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเหรอท่านพิบูลกรังจะบอกว่าสําหรับโลกธรรมแปดพระพุทธองค์ชี้ให้เราเห็นความจริงว่าสุขทุกเป็นเรื่องเดียวกันถูกไหมคะใช่มันเป็นเรื่องที่ เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเราต้องไม่ไม่ให้มันไปไม่ให้มันมาทำจิตเราให้เศร้าหมองนะคือกระวนการของมันเนี่ยถ้าสุขมันจะทําให้เราเศร้าหมองโดยการที่จะทำให้เราลุ่มหลงจิตเราจะเศร้าหมองมันจะรัดรึงเราด้วยความกําหนัดความเบลินจิตเราเศร้าหมองพอให้ความทุกข์มันก็จะมารัดรึงเราในลักษณะที่ทำให้เราขยักขยั่งเกลียดชังไม่พอใจเป็นปฏิฆะก็ทําให้เราเศร้าหมองเศร้าหมองสองขานี้ เป็นหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะทําไงไม่ให้จิตของเราเนี่ยวันไว้ไปตามสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนเราจะทํายังไงเราต้องฝึกในการที่จะตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้โดยการที่ใช้ลมหายใจเป็นหลักก็ได้หรือว่าใช้เรื่องสิ่งใดที่เป็นกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเราฝึกในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานกระบวนการตรงนี้ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยรักษาสีของเราให้ดีในเรื่องของสมาธิจิตนั่นคือเรากพยายามที่จะตั้งสติไว้นในระหว่างวันก็ อย่าไปพูดด่าว่าคนอื่นให้รู้จักอดทนบ้างเดเจอความร้อนความหนาวก็จะขี้บนนะให้อดทนบ้างเอาจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ฝึกในการที่จะอดทนเอาเดนะไม่ด่าเขาตอบเดนะหรือระหว่างที่ว่างๆอยู่ไม่มีอะไรก็ดูลมหายใจเดนะกระบวนการตรงนี้จะฝึกให้เรามีสติค่อยๆตั้งขึ้นตั้งขึ้นเดีวก็มีสติตั้งขึ้นตั้งขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วเดีวสิ่งที่จะทําให้มีจิตเรามีกําลังแล้วเนี่ยมันกะ็จะไม่ไหลไปตามความสุขไม่วิ่งหนีความทุกข์ นี่คืที่มีสติก็จะเหนือจากการควบคุมของโลกได้ค่ะอออืเบางทีความที่เกิดมาไม่เคยมีอะไรที่ทําให้ทุกข์มากส่วนใหญ่สุขมากทุกข์น้อยก็อาจจะทําให้เราเผลอไม่คิดว่าในชีวิตอาจจะเจออะไรที่ทนไม่ได้เลยนะคะก็ฝึกกันถึงแม้ว่าโจทย์ของเราอาจจะดูไม่ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราไม่มีโอกาสที่จะสติตแตกอืมคือคือเวลาคนมันจะเปลอเนี่ยอันนี่คือขาขึ้นนะที่อนามาพูดมาสักครู่นี้คือขาขึ้นขาขึ้นในการที่เราจะค่อยๆทำให้จิตเราให้มีกําลังมากขึ้นขาลงมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้เราเปลอทีละนิดเปลอทีละนิดมันก็จะค่อยๆต่ําลงต่าลงต่ําลงค่ะจนกระทั่งบางทีเจอเรื่องที่กระเทือนใจมากๆเช่นโรคที่รักษาไม่หายคนรักใกลตายเงินหายเป็นจํานวนมากเราจะสติแตกตรงนั้น แต่ชนิดที่แบบว่าร่ำให้ ค, คร่าครวญน่ะก็ต้องอระวัง<ะ>เพื่อนเป็นใครการระดับสูงละในรูปการโยกย้ายแต่งตั้งก็มีความเชื่อว่าคุณสมบัติอย่างเราเนี่ยการศึกษาดีทำงานดีอยู่บนแถวหน้าของคนอื่นมาโดยตลอดอมสมาร์ทนะคะต้องได้ขึ้นสู่ตำแหน่งแน่นอน เพราะว่าชัดเจนเหลือเกินในการที่มีคุณสมบัติให้ถูกเลือกใช่ไหมคะมแต่พอถึงเวลาไม่ถูกเลือกขึ้นมาเนี่ยถึงกับจะลาออกจากราชการอืมซึ่งโดยยิ่งเข้าใจว่าเนี่แหละเป็นตัวอย่างของการที่เราไม่เคยทําความเข้าใจโลกที่แท้จริงแก็เตรียมตั้งตั้งรับในลักษณะนี้อันนี้คือตอนที่สุขเนี่ยยังประมาทอยู่ค่ะแล้วคือคนส่วนใหญ่พอมีความสุขแล้วประมาทแต่ประมาทในี่ น, นี้คือเมาในความสุขนั้นไม่ได้ เห็นโทษของความสุขนั้นไม่ได้รู้จักในการที่จะไม่ให้ความสุ k นั้นมันทําให้จิตเราเมามัวหมองค่ะ <c oughs> นะคือพอไม่ได้รู้จักตรงนี้ปุ๊บคุณก็จะถูกมันรัดหรือยิ่งเศรา้าหมองพอมันหายไปนี่ยิ่งทุกมากก็ <c oughs> ต้องอย่าประมาทในความสุขนั้น <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ดิฉันก็ยังมีความรู้สึกอย่างนี้อีกอย่างหนึ่ง น, นะคะว่าบางทีบางคนแบบฟังแล้วเข้าใจโอ้สบายมากมาถึงเวลาฉันทําได้อืมแต่แม้กระทั่งตัวดิฉันเองนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่า ถ้าเกิดความไม่แน่นอนในชีวิตบางอย่างเอ้เราจะรับได้ไห ม, มก็ยังคิดว่ามันต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆใช่<ๆ>แล้วแล้วตรงนี้มันเป็นเอ่อมันเป็นว่าไงละ่ะมันเป็นเหมือนสนามทดสอบอะคุณโยมติว๋วค่ะนะคือเราเราต้องผ่านให้ได้นะ่นะแต่มันเป็นคเครื่องสอบอะว่าง่ายง่นะยทุกอย่างในโลกนี้เป็นเครื่องที่จะมาสอบเรานะว่าเราจะผ่านไหมนะถ้าเราผ่านเราก็สูงขึ้นไปนะสอบ้อสอบระดับ มัธยมผ่านคุณก็ไประดับมหาวิทยาลัยสระดับมหาวิทยาลัยผ่านคุณก็ไประดับสูงขึ้นไปกว่านั้นเช่นเดียวกันคือบางทีข้อสอบของความเป็นส่วนบันก็แค่นี้แต่ถ้าข้อสอบความเป็นอรหันมันก็จะหนักกว่านี้แต่เพื่อให้เราคลายความยึดถือต่างๆนี้ได้โดยใช้ให้เราดำรงอยู่ตามธรรมคือเรื่องของมาร์กแปดให้ได้เองค่ะงั้นเราก็จะต้องไม่เป็นคนที่ไม่โทษใครด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะันว่าบางทีเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบางทีมันชัดๆเลยไอ้นี่มันแกล้งฉันถ้าไม่ใช่คนนนี้ะ ฉันจะไม่มีทางเป็นแบบเนี่ยคือเที่ยงทดสอบแน่นอนค่ะนะนะคะท่านฟังคะวันนี้ได้ประโยชน์เหลือเกินนะคะเรียกว่าอันนี้เป็นธรรมะครอบจักรวาลเลยได้ไหมครสมมติมีเวลาฟังธรรมะแค่เนี้ยเอาใช้เลยเป็นวิธีเดียวในการแก้ปัญหาต่างๆของชีวิตเราจะไปอยู่ป่าละฟังวิทยุไม่ได like> ้ละค่ะเอาความรู้นี้ไปใช้ได้เลยนี่คือเรื่องอริยสัจสีเลยที่เราอธิบายมานี้นนัในรูปแบบของการปรากฏขึ้นของโลกธรรม แต่โดยใช้หลักอริยสัจสี่ในการอธิบายค่ะก็เท่ากับว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยจริงๆแล้วที่แตกๆอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยหลักใหญ่อธิบายได้ในลักษณะโลกธรรมแปดหรือไม่ใช่อธิบายได้ด้วยมรร<ม>คแปดอธิบายได้ด้วยมรรคแปดแต่อธิบายอธิบายได้ด้วยอริยสัจสี่ซึ่งก็อยู่ในมรรคแปดอยู่ในอริยสัจสีอยู่แล้วและโลกธรรมแปดนี้ก็จะอยู่ในมรรคแปดในอริยสัจสนี้อยู่ด้วยค่ะก็คือ ที่เราเรียนหนังสือมาจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ชั้นประถมแล้วในหัวใจของธรรมะของพระพุทธองค์ว่าตรัสรู้อริยสัจสี่ใช่นะคะและถ้าทําความเข้าใจอริยสัจสี่อย่างถูกต้องนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้แบบเหนือโลกถูกต้องค่ะมหมดเวลาพอดีเลยกราบน้มสักการขอบพระคุณท่านเพบูบุ์เป็นอย่างยิ่งนะคะน้มสักการคะ่ะเรื่องฟังที่กรกค้าที่ฟังผ่านไปนั้นนะคะท่านเป็นพระภิกขุหรือว่าพระภิกษุอยู่ที่ วัดป่าดอนไฮโซจังหวัดอุดรธา น, นีนะคะท่านคือพระมหาภัยบูร์อภิปุโนผู้ที่ได้ช่วยให้คนทั้งหลายเข้าถึงธรรมะเพราะที่วัดนั้นมีการจัดกิจกรรมให้คนไปฝึกปฏิบัติรวมทั้งสอนในเรื่องอื่นๆด้วยพุทธพจน์ของพระาศสาสราอยู่ด้วยเป็นประจำสำหรับคอร์สปฏิบัตินี้ก็มีเดือนละหน ะะติดต่อไปก็แล้วกันเดือนพฤษภาคมรู้สึกจะเป็นปลายเดือนนี้อาจจะยังไม่เต็มติดตามรับฟังรายการสัรราณสนทนาดำเนินรายการโดยสัรนรนาณนาคพงได้ใหม่นะคะที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ็ห FM สำหรับวันนี้ลา ก, กันไปเพื่อนัดพบกันใหม่ในเพื่อหัดส ป, ปดีหน้าค่ะคุณทวัสดีค่ะ